วันนี้เป็นวันครบรอบปีที่เก้าของคณะจุฬธรรมที่ได้มาเริ่มฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่เดือนมิถุนาพศ2548มาปีนี้ก็2000 ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเดือนมิถุนาก็ครบเก้าปีผลงานที่เกิดจากการมาฟังเทศฟังธรรมการเดินละหน่งครั้งก็ได้หนังสือจุลธรรมนำใจสามสิบแปดเล่ม น, นี่เป็นผลที่ปรากฏให้เห็นได้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 พอระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณก็แสดงไว้แล้วว่าเป็นสัตถาเทวมนุษย์สานางเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาที่เราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาฟังเทศธรรมจากพระพุทธเจ้า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 นี่คือเรื่องของธรรมโอสถ์ยารักษาโรคใจที่รักษาโรคใจของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกปวยทุกเพศไม่ว่าจะนับถือาศาสนาใดก็ตามถ้าได้รับยาคือว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจ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 ในทางความเป็นจริงนั้นชาวไทยเราชาวพุทธไทยเรานี้ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งขั น, นปล่อยให้มีสถานแดงบันเทิงต่างๆที่เที่ยวกลางคืนออกบ้านเหมือนดอกเห็นมีสถาบันการเล่นการะนันถูกต้องตามกฎหมายคือสลากเป็นแบ่งของรัฐบาล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 ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันนั่นเองเกิดมาก็เพียงแต่เชื่อตามปุยยะตายายบิดามารดาปุยยะตายายบิดามารดาเชื่ออะไรก็เชื่อตามทำก็ทําพอหอมปากหอมคอเช่นในวันสําคัญในวันเกิดวันปีใหม่หรือเวลาทําบุญขึ้นบ้านใหม่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 ละเว้นกันไม่ค่อยได้อย่าไปว่าถึงเรื่องภาวนาเลยภาวนานี้แทบไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่านั่งหลับตากันไปทำอะไรหาอะไรได้อะไรจากการนั่งหลับตาไม่ค่อยรู้กันเรื่องราวเหล่านี้เพราะขาดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงไม่ได้ถือว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงเพราะถ้าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนีจ่จะปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดและจะได้รับอนิสง์จากการปฏิบัติตามก็คือได้ดับความทุกข์ตามกำลังของการปฏิบัติได้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 ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นพรหมขั้นต่างๆถ้าจเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสีได้ตัดตกิเลเตังหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้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 แก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้และทำให้เราได้รับผลได้รับมรรคผลนิพพานกันได้ในสมัยพระพุทธการก็มีพระพุทธเจ้ามีพระอาลานตาสาวกเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วผู้ที่ศึกษาก็มีศรัทธามีความเชื่อศึกษาอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจัง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 ศึกษากับท่านเหล่านั้น <Yeah. S 1> เมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง mm. เมื่อเราได้ศึกษาแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วที่ในว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ mm. เหมือนกับเราไปรับยาจากหมอแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับประทานยาหรือไม่รับประทานยานะ ถ้าไม่รับประทานยาต่อให้ไปหาหมอกี่ร้อยกี่พันครั้งโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีวันหายได้สู้อย่าไปให้เสียเวลาดีกว่าถ้าไปรับยามาแล้วก็ต้องนำเอายานั้นไปรับประทานพอเมื่อรับประทานยาแล้วยาจะได้ทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้โครคภัยไข้เจ็บก็จะหายได้อย่างแน่นอน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 เมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือไปซื้อยาตามร้านขายยาพอเราซื้อมาแล้วนี่เรารีบรับประทานกันเลยใช่ไหมอพอเราเชื่อประสิทธิภาพของยาะพอรับประทานเข้าไปแล้วไม่กี่วันก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่ทำไมายาอันวิเศษ ท, ที่จะรักษาโรคที่รักษาได้ยากแสนยากนี่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 ทำไมยังเสียดายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายทำไมรักษาศินแปดกันไม่ได้ถ้ารักษาศินแปดได้ก็แสดงว่ายังเสียดายความสุขทางร่างกายอยู่ยังไม่ยอมรักษาโรคทางทางใจกันยังไม่ยอมรับประทานยาศินแปดนี้ก็เป็นยารักษาโรคใจ ผู้ที่อยากจะรักษาโรคภัยโรคใจให้หายขาดนี้จำเป็นจะต้องรักษาศีลแดขึ้นไปศีล8ศีลส0ศีลสี 8, ส 10, ส 7, และศีลส0 0อกว่าข้อศีล8ก็ของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีศีลสิก็ของสามเณรศีลสองี่เก็ของพระภิกษุ ศีลสาม้อยกว่าก็ของพระภิกษุณีถึงแม้ว่าสมัยนี้จะไม่มีพระภิกษุณีถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีใครจะมาห้ามเราได้ภิกษุณีอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กนหัวห่วมผ้าสีเหลืองหรือว่าอยู่ที่มีศีลสามร้อยกว่าข้อนี้ถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็ไปอ่านศึกษาดูสิว่าภาิกษุณีรักษาศีลกี่ข้อกันมีอะไรบ้าง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 เรกินยาเพื่อรักษาโรคไัยไข้เจ็บของเราให้หายไปใครเขาจะมาชื่นชมยินดีกับการกินยาของเราหรือไม่เราก็ไม่สนใจฉันใดการเป็นพิกษุนีก็เป็นได้กันทุกคนปัจจุบันนี้ก็เป็นได้แต่ไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องให้มีการรับรองเป็นทางการต้องให้รัฐบาลมารับรองต้องให้สถาบันสง์มารับรอง ไอ้นั่นมันเป็นเปลือกทั้งนั้นแหละไอ้ตัวเนื้อทำไมไม่เอาทำไมเราไม่รับรองตัวเราเองถ้าเรารักษาศีลของภิกษณุณีครบถ้วนเราก็เป็นภิกษณุณีเราก็รับรองตัวเราเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมารับรองเลยแล้วใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์คนที่รับรองเราหรือหรือเราผู้ปฏิบัติใช่มเราทำไมไม่คิดกันอย่างนี้ ถ้าคิดกันอย่างนี้ตอนนี้เราก็เป็นทุกสิกษุนีกันได้อย่ามาอ้างว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายผู้ชายบวชได้แตผู้หญิงบวชไม่ได้นี่แสดงว่าไม่รู้ความหมายของความว่าบวชแปลว่าอะไรการบวชก็คือการรักษาศีลของนักบวชนั่นเองศีลมีสองระดับด้วยกันศีลของนักบุญกับศีลของนักบวช สินของนักบุญคืออะไรก็คือสีนห้านี่นี่คือนักบุญพวกที่ยังทำบุญแต่ยังไม่อยากที่จะบวชกันก็รักษาสีนห้าไปถ้ารักษาสีนห้าก็ยังไปท่องเที่ยวได้กินข้าวเย็นได้อย่างร่วมหลับนอนกับแฟนได้นี่คือสินของนักบุญทำทานรักษาศีนตายไปก็ได้เป็นเทวดาแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะเป็น พรมอยากจะไปเป็นพระอริยะบุคคลอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถือศีลของนักบวชเนี่ยก็เริ่มที่ศีลแปดก็ได้เนียศีลแปดที่แม่ชีอุบาสกอุบาสิการักษากันอยู่น่นก็เป็นศีลของนักบวชแล้วพอที่จะสนับสนุนการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสามารถบรรลุมากผลที่ผ่านได้ด้วยศีลแปดแต่ถ้าอยากจะแข่งกันนั้น ถ้าเป็นชายก็บวชถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นสา ม, มเณรรักษาศีลสิบเป็นชายก็บวชเป็นพระรักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อไปศีลสามร้อยกว่าข้อนี้ก็ยังมีเจ้าเล็กอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าลองไปเปิดดูในวินัยปิดอกดอูจะมีศีลจะมีเล่า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 จำเป็นจะต้องไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจากพระจำเป็นจะต้องไปฟังคําสอนของพระเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเวลาพระให้พอให้ศีลศีลห้าศีลแปดนี่เป็นต้นคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ได้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรบ้างก็ต้องไปสมาธิไปไปฟังจากพระ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 สอนไม่ถูกต้องก็ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็จะได้คำสอนที่ถูกต้องแม่นยำเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างได้ผลถ้าถ้าคำสอนไม่ถูกต้องผลก็จะไม่ถูกต้องเหตุไม่ถูกผลก็จะไม่ถูก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 สอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้าท่านสอนไม่เหมือนเราก็จะได้มีข้อเปรียบเทียบแล้วเราลองปฏิบัติ ด, ดูตามที่ท่านสอนว่าจะได้ผลหรือไม่นถ้าไม่ได้ผลเราก็รู้ว่าเพราะท่านไม่ได้สอนตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกันะอย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยเรื่อง ชาวต่างประเทศรูปหนึ่งเป็นมาบวชเป็นพระแล้วก็ได้ไปศึกษาอยู่จากาพุทธศาสนาหลายสายด้วยกันสายพม่า ก, ก็ไปศึกษามาแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกจะเป็นเซนตงสายเซนซึ่งเขาจะเน้นการเจริญวิปัสสนาเขาจะไม่เน้นเรื่องการเจริญสมถะภาวนา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 ก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวคือจิตที่ได้รับคําสอนขขาจากปัญญาปัญญานี้ก็มีสามระดับด้วยกันส่วนใหญ่เราจะไปหลงติดอยู่กับระดับที่สองก็คือจินตามายะปัญญาจินตามายภาัญญานี้ก็เป็นความคิดในทางปัญญาแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้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 มันมันอยู่เฉยๆของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นการซ้อมไปก่อนถ้าเราพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาตอนที่เราคิดอย่างนั้นเราก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกสุขรู้ทุกข์แต่ถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งเหลือสามเดือนเนี่ยเี่ยคุณตอนนั้นใจของคุณเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆ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 ผู้ที่จะปรองได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่รู้จะไปปรองไว้ที่ตรงไหนไม่รู้จะวางอย่างไรการฝึกสมาธินี่เป็นการฝึกปล่อยวางร่างกายนี่เอเวลาเราทําใจให้สงบตอนนั้นใจจะไม่สนใจเรื่องร่างกายเรื่องตาหูจมูกเล่นกายนี้จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจสงบใจจะปล่อยวาง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 โดยการพฤฤิจิตพิจารณาอันนี้อยางทุกขงังอนัตตาพอใจเข้าใจหลักว่าตอนนี้ทุกไม่อยู่ในอุบเบกขาก็เพราะว่ามีความอยากพอมีความอยากมันก็จะออกจากจุดของอุบเบกขาไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องย้อนกลับเข้ามาที่อุบเบกขาวิธีที่จะกลับเข้าสู่อุบเบกขาก็ต้องละความอยากนั่นเองปล่อยวางความอยาก พความอยากไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับใครเลยไม่มีคุณประโยชน์กับร่างกายไม่มีคุณประโยชน์กับใจอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่อยากไม่ตายมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอเรายอมรับความจริงว่าร่างกายจะต้องตายแล้วเราหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็กลับเข้าสู่เบกขรใจก็เย็นพอปรงได้แล้วใจก็เย็นสบาย ไม่ทุกขกับความตายต่อไปอย่างนี้จึงจเรียกว่าเป็นภาวนามยะปัญญาภาวนาก็บอกแล้วว่าต้องมีสมถะภาวนาก่อนจึงจะเป็นมยะภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ใจได้ส่วนจินตามยะปัญญาก็บอกแล้วจินตาก็มาจากจินตนาการะ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 วันต่อไปในอนาคตเขาจะต้องเจอกสุนจริงแน่นอนดันั้นถ้าเขาเตรียมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนพอเจอกสุนจริงเขาจะได้รู้จักวิธีหลบวิธีสู้อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาวนามาย์ปัญญาไนดะ้เราก็ต้องอยู่ที่จินตามายะปัญญาก่อนแต่เราอย่าไปหลงว่ามันเป็นปัญญาที่แท้จริงหรือสุตตามายะปัญญานี้ก็เหมือนกัน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 แสดงว่าเขาบรรลุทำได้ในขั้นนั้นในเรื่องนั้นนี่ก็คือเรื่องของปัญญาที่มีอยู่สามระดับด้วยกันแต่ปัญญาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นภาวนามายะปัญญาและการที่จะมีภาวนามายะปัญญาได้ก็ต้องมีสมถภาวนาก่อนต้องมีสมาธิมีความสงบก่อน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 ทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรากลับมองไม่เห็นกันไม่เห็นอนิจจงเห็นเห็นอะไรก็เห็นเป็นนิจจงไปหมดเห็นอะไรก็เป็นสุขขังไปหมดเห็นอะไรก็เป็นอัตาไปหมดเป็นของเราไปหมดแล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพรอเราอยากจะให้มันเป็นนิจจงสุขขังอนตา แต่มันบอกไม่ใช่เราเป น, นั้นจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ยอมเชื่อมันเห็นไหมมันเกลมันเก่าไปเจอคนนี้เขาบอกเขาชื่อสมชายโอ้ไม่ใช่คนชื่อสมศักดิ์เขบอกไม่ใช่ผมชื่อสมชาย <c oughs> ก็เถียงกันอยู่นั่นเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขอังอนาัตตากันเราจึงต้องคอยพิจารณาอยู่เรื่อย แต่การที่เราจะพิจารณานิจังทุกขังอ น, าตานัตตานี้เราต้องมีสมาธิเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสมาธินี่กิเลสมันมีแรงมากมันจะไม่ยอมไม่เราพิจารณามันจะเราพิจารณาแต่นิจังสุ ข, ขังอนัตตาแต่พอเราทําใจให้สงบนี่กิเลสถูกตัดกําลังลงไปเราก็สามารถสั่งให้ใจคิดไปในทางอนิจังทุกขังอนัตต์ได้นี่แหละคือ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 เห็นเงินก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาปั๊บก็ไม่อยากได้เงิเห็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะไม่อยากได้เห็นสระเสริญก็ไม่อยากได้ใครอยากจะชมไม่ชมก็ไม่สนใจเขาชมได้เดี๋ยววางมาวันเขาก็ไม่ชมก็ได้เวลาเขาไม่ชมเราจะรู้สึกยังไงนี่ยเราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอน้าตาตลอดเวลาถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่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 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้โกนสีสษะให้เห็นเลยไม่ได้นุ่งขาวผมขาวให้เห็นบ้างอ้าวนั่นแหะคือคนที่หายทุกคนที่หายทุกเขาไม่รู้ใจเก็บผมไม่ทำอะไรเขาเห็นว่าผมมันเป็นทุกข์เก ก, กะลาบากลาบนต้องคอยสะต้องคอยเซ็ดต้องคอยหวีต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยถ้าโกนหัวตัดมันทิ้งไปหมดก็สบายเวลาอาบน้าก็สบายไม่ต้องมาเช็ด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 ดันั้นก็ขอให้ท่านจงได้เอานำธรรมโอสถที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจารณาละาปปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวฤาวาหาปุราตาลิปุเรนติสาขัง เอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวสนิจตุสัเพปุระตุสังกะปาจันโทปนาอัลลัสโย t ถามณีโชติอัลสยยถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะรุโควินาสตุ มาเตผวะตวันตาาโยสุขีทีคายโกผวะอาพิวาธนสิลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโธัมมาวทานติอายุวันโสุขังราลาง ตอนนี้ก็เป็นเวลาถามตอบปัญหาใครมีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้เพียงแต่ขอให้มาพูดผ่านทางไมโครโฟนก็พูดฟังที่อยู่ไกลจะได้ยินเสียงคำถามถ้าไม่ได้พูดผ่านทางไมโครโฟนผู้ฟังก็จะไม่รู้ว่าถามอะไรได้ยินแต่คำตอบ นะครับอ <inate> ถ้าคนที่ปฏิบัติแบบสติอย่างเดียวเนี่ยสามารถบรรลุได้ถึงขั้นไหนครับก็ถ้าสติอย่างเดียวก็จะได้ขั้นสมาธิถ้ามีสติอย่างต่อนเนื่องเวลานั่งนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ก็จะได้แค่เพียงขั้นสมาธิถ้าอยากจะได้ปัญญา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 เพราะปัญญาจะไปแก้ความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากที่เราอยากเพราะเราคิดว่ามันดีมันให้ความสุขกับเราแต่พอเราเห็นความจริงว่ามันไม่ดีมันให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่อยากได้เหมือนกับเราเห็นงูแต่เราไปคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็ไปจับมันเอาไปจับมันก็ถูกมันกัด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 เราก็กลับเข้าหาความสุขภายในคือความสงบคือขั้นตอนของการปฏิบัติอ ถ, ถ้าถ้าสมมติบทพระเนี่ยนะครับแล้วถือศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้ออย่างเดียวนะฮะมีโอกาสบรรลุนิพพานไหมครับโดยไม่ปฏิบัติไม่ล่ะถ้ า, าร<ส>า<ส>ักษาศีลได้อย่างเดียวก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อนะได้อย่างมากก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้เป็นเทพถ้า ใจบุญสุนทาน ถ, ถึงแม้จะ227ข้อก็ตามแต่ใช่ไหมครับี0 0 0ข้อมันก็มันก็อยู่ในระดับศีลเท่านั้นเองอละดศีลทั้งหมดนี้ที่สำคัญก็เพียง4ข้อเท่านั้นเองสำหรับพระก็คือปา ร, ราชิก4ีก็เหมือนศีล5ของคาลวเนี่ก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้เท่านั้นเองอแสดงว่าการที่ผ่านมีช่องทางเดียวคือ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 เพราะการมีสมาธินานานี้จะทำให้เรามีพลังเยอะพลังต่อต้านความกิเลสตัณหาได้ถ้าเราไม่มีเรานั่งไม่นานเราก็จะมีพลังน้อยพอมาเจอความเจ็บปั๊บเนี่ยตัณหาก็จะออกมาทีความอยากจะหนีจากความเจ็บไปเราก็ต้องใช้อุบายสองมีสองอุบายด้วยกันอุบายแรกเรียกว่าอุบายของสมาธิหรือสติ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 ต่อไปร่างกายปวดศีรษะปวดท้งไม่ต้องหายากินอใช้ธรรมโอสถดีกว่าสบายกว่าปล่อยมันเจ็บไปมันจะจมันมีเหตุทําให้มันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวเหตุนั้นมันหมดไปมันก็หายเองเราอย่าไปเจ็บประมาณเท่านั้นปัญหาจะไม่มีทําไมทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทัน น, นะครับทั้งทั้งนั้นมีสินห้ามขาด คือเป็นพระเป็นเหมือนขอทานไงจะไปบอกคนให้ว่าฉันจะกินแบบนั้นกินแบบนี้ได้ยังไงใช่ไขอทานนี่เขาบอกหรือเปล่าแล้วอขอแบงค์พันอย่างเดียวแบงค์นังยี่สิบไม่เอาบอกไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาจะให้อะไรก็เอาท่านสอนให้พระอยู่แบบเรียงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายเรียก ง, ง่ายไม่ไปบรบกวนผู้อื่นมากจนเกินไปแล้วก็ให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้อะไรก็ให้มา ส่วนพาดจะกินไม่กินนี่พาดเป็นเิษที่จะเลือกทีหลังถ้าจะกินกินเจก็เข้าได้เจเขี่ยรู้ <c oughs> จักเจเขี่ยไหมอะไรที่เป็นเนื้อก็เขี่ยมันออกไปกินแต่ผักกินแต่ข้าวก็ได้ถ้าจะกินอะไรมันก็ถ่ายออกมาเป็นขี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็ทําหน้าที่เหมือนกัน่ะก็คือรักษาร่างกายให้อยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวไม่ทรมานเ่องมันหน้าที่ของอาหารก็มีเท่านั้น คนที่กินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้ทําบาปไม่มีไม่มีการทําบาปจากการกินบาปเกิดจากการฆ่านะถ้าเราฆ่าแล้วฆ่าถึงแม้จะกินไม่กินมันก็บาปแล้วคนกินเจแต่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้มันก็บาปแต่คนที่ไม่กินเจแต่ไม่ได้ฆ่าไม่บาปนั่นเราต้องให้รู้ประเด็นประเด็นสําคัญอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่การกินกินอะไร ครับปัญหาต่อมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณลุ่งนะครับขอโอกาสถามปัญหาทางโลกโยงสู่ทางธรรมหากเรารู้เห็นว่ามีการคอร์รัปชันแล้วเราล้องเรียนให้มีการตรวจสอบจนกระทั่งผู้กระทำความผิดได้รับโทษทางอาญาหรือวินัย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 คำถามข้อต่อไปจากคุณกิติวุฒินะครับทายังไงให้หมดความกลัวความกลัวก็คือความอยากอยู่นั่นเองก็ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆสอนว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายไปและร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้มาครอบครองอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านบ้านที่เราอาศัยอยู่ต่อไปมันก็ต้องเก่าเก่ามันก็ต้องชำรุดมันก็ต้องพังไป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 อันนี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอผู้อื่นเวลาอยู่คนเดียวจะไ ป, ไปแผลให้ใครใช่ไหมจะไปยิ้มให้กับใครเวลาเจอคนอื่นนะถึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่า อ, อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอันนี้ต้องแผ่ตอนที่เรามีเหตุการณ์เวลาที่เราโกรธใครเ็าทำให้เราเสียอกเสียใจแล้วอยากจะฆ่าเขาอย่างนี้เราก็ต้องแผ่เมตตา ก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเวลาเราไหว้พระสดมอนั่งสมาธิเสร็จใจเราเป็นใจที่สงบเย็นสบายมีเหตุมีผลตอนนั้นเราก็ซ้อมให้อภัยซ้อมไม่จองเวรซ้อมทักทายปราศัยอันนี้เรียกว่าเป็นการทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อน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 พอเราเกิดกันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแนะโอกาสที่เราจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันนี่มันมีมากเพียง <Yeah. S 1> แต่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นเราขอให้คิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็น เ, นเพื่อน เ, นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพี่เหมือนน้องกัน <c oughs> เวลาเราทำบุญเราก็อุทิศไปให้กับใครก็ได้ใครผ่านมาก่อนใครอยู่ใกล้ก็เอาไปเลยใครเดือดร้อนใครต้องการก็เอาไป หรือว่าถ้าเราต้องการเจาะจงนึกถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่หมายความว่าก็จะรอรับอยู่เสมอไปเขาอาจจะเป็นเศรษฐีบุญเขาได้ทําบุญเยอะในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญหรือว่าถ้าเขาไม่ทําบาปก็ก็กลับไปเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ต้องมาเป็นเศษฐเพราะฉะนั้นทํามันก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันหรือก็ในกรณีที่ ที่จะทำจริงๆก็คือเวลานอนหลับแล้วเขามาเข้าฝันอย่างนี้มาฝันว่าขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ตอนนี้ตกทุกข์ยากยากลำบากเหลือเกินอย่างนั้นก็เราก็ทำอุทิศไปให้เขา ท, ท่านจารย์คะในกรณีที่เราไปเยี่ยมผู้ที่ป่วยแล้วสมองตายแล้วเนื่องจากเส้นเส้นเราหแดแตกนะคะ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 แล้วทางไหนเป็นทางที่ดีที่จุดที่จะทําให้เขาได้ครับอาจารย์ก็ทําตอนนี้ก็มีสติอย่างเราอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ชวนเขามาชวนเขามาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธทําไปทำตอนนี้ก็ทําไม่ได้ได้แล้วแต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ยอมมาอีก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 ขอแบ่งชีวิตที่เหลือของตัวเองให้อย่างนี้นเป็นไปได้ไหมครับอาจ า, ยารย์แบ่งยังไงเหมือนกับเหมือนกับ อ, บบอธิษฐานแบบแบ่งชีวิตส่วนบางส่วนของเราเนี่ยให้เพื่อต่ออายุของคนที่ได้ก็บริจาควัยวะไปไง <c oughs> ถ้าใกรต้องการตาก็ไปใครต้องการตับก็ไปก็อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่างงั้นก็ต่อชีวิตของเขาได้ขอคาถามนะครับอ่า ข อ, อวิธีการฮะที่จะจะคิดถึงความตายตลอดเวลานึกคิดยังไงฮะสองก็ <c oughs> นั้นอยู่เรื่อยๆท่องต้นต้นก็ท่องไปก่อนก็ได้ว่าเราเกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ท่องไปอย่างเงี้ยต้องไปก่อนไม่ต้องดู<ป>คนตายใช่ไหมฮไม่ต้องดูหรอกให้จําไว้ให้ได้ก่อนว่าเรา <c oughs> ต้องตายอท่องไปเรื่อยๆเนีติมขึ้นมาพอมลืมตายก็ว่าในวันนี้เราอาจจะตายเมืเอ่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้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 เช่ตอนนี้ก็มีประกวดนางงามเนี่ยเราก็ดูเพ่งเข้าไปในใต้ผิวหนังเขาดูโครงกระดูกเขาบ้างดูตับไตไส้พวงดูปอดดูหัวใจเขาบ้างอย่าดูแต่หนังของเขาอย่าดูแต่รูปล่างหน้าตาของเขานี่ก็คือดูวัชพัชเพราะดูว่ัชพัชแล้วมันก็จะโปร่งได้มันจะไม่เกิดความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนตอนนี้คนคงจะจ้องดูนางงามใครจะเป็นใครจะมาจองเป็นเจ้าของกัน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 มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซื้อรถมาวันนี้เดี๋ยวสองปีมันก็เก่าแล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังให้ให้พิ่างนีบ่อยๆนะกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกอย่างเมื่อมีมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมให้ให้พิจารณาส่วนที่เสื่อมให้มากส่วนที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผู้หญิงเมื่อกี้บ่นว่าสามีเคยรักเดี๋ยวนี้ไม่รักแล้วก็เพราะเขาไม่พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเขาไม่รักเราไปตลอด แต่เวลาเราเจอใครนี่เราจะคิดว่าเขารักเราไปตลอดอยากจะได้เขามาเป็นคู่กองแต่พอได้มาแล้วก็ถึง จ, จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงเพราะเขาไม่รักเราไปตลอดผมเคยเห็นเขาเกิดนิมิตแบบเด่นที่ครูเขียนนะฮะว่าเกิดนิมิตแบบแบบเห็นร่างกายเป็นผุพังสลายเพรมันจะเกิดตอนไหนยังไงอะไรอย่างนี้นั่นก็เกิดจากที่เวลานั่งสมาธิส่วนหนึ่งหรือเวลานอนหลับลอดฝันไป ก็เกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาไว้ก่อนเราดูมาก่อนแล้วมันฝังอยู่ในใจแล้วเพราะใจเราสงบมันก็จะผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้อ <c oughs> มีคําถามอีกไหมต่อไปเป็นคําถามทำสถานการณ์ครับอาจารยา์ผู้ที่เล่นการพนันบอลโลกนี่ครับอ กรรมที่นอกจากเสียเงินแล้วมีกรรมอะไรอีกครับอาจารย์ก็คือไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคนที่เสียการพนันเขาก็ต้องเสียเงินเสียทองเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมามาเล่นการพนันเราก็เราได้ความสุขบนกองทุกขของผู้อื่นเช่นเดียวกับเวลาเราเสียเขาก็ได้ความสุขจากกองทุกของเรางั้นการได้ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่ชอบ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 ยิ่งไม่ตายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับอาจารย์นั่นแหละก็อย่างที่พูดนะ ม, มันอบายามุกนี่จะนำไปสู่การทําบาปคําว่าอบายก็แปลว่าที่ที่เกิดของอเดรัจฉานของเปรตของนรกมุกก็แปลว่าวาวรหรือประตูร้างกายไปเล่นอบายามุกก็เหมือนกับไปยืนอยู่ที่ปากประตูโอกาสที่จะเข้าไปในอบายมันมันนิดเดียวเท่านั้นเองเดืดง่ายมากครับ พอเล่นการพนันพอเสียการพนันก็ต้องไปทําบาปแล้วฆ่าเขาหรือว่าไปลักทรัพย์เพื่อที่มาใช้นี่ต่อไปนั่นอย่าไปทํำบางคนอาจจะคิดในเชิงที่ว่าเป็นเงินของเราเราเสียก็เรื่องของเราดังนั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครครับพระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเองพงแต่ว่าพูดตามเหตุตามผลนั่นเองใครอยากจะเล่นก็เล่นไปแต่ที่บอกว่าเวลาเราได้เนี่ยเราก็ได้เหมือน ได้ได้ได้เงินจากคนที่เขาต้องทุกข์คนที่เขาเสียเขาก็ต้องทุกข์เวลาเราเสียเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราชอบความทุกข์แบบนี้ก็ทําไปไม่ได้ห้ามอะไรมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของเหตุและผลที่ถ้ามีเหตุมันก็มีผลตามมาถ้าไม่ต้องการผลแบบนี้ก็อย่าไปสร้างเหตุแบบนี้ท่านี้